ถามที่อาตมานะถูกถามบ่อยแล้วก็คงอยู่ในความสงสัยนะของหลายคนก็คือว่าจะปฏิบัติธรรมเวลาไหนดีจะปฏิบัติธรรมที่ไหนดีนะหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าปฏิบัติธรรมเวลาไหนเวลาไหนที่ดีที่สุดปฏิบัติธรรมที่ไหนนะ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 จริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติทาเวลาไหนที่ดีที่สุดนะก็คือตอนนี้แหละนะตอนนี้แหละคือเวลาปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดแล้วก็ตรงนี้นก็คือสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมดีที่สุดถ้าไปรอเอาก่อนนอนนะอันนั้นเป็นเรื่องอนาคต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 รู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจนะกิจเนี่ยที่คือกิจการงานนะเรียบบทน้อยใหญ่ตอนนี้พอเจออะไรเนี้ยนะอ่าใจกระเพื่อมใจมันฟุ้งปรุงแต่งก็รู้ใจยินดียินร้ายก็รู้นะก็สรุปว่าเนียเห็นใจคิดนึกนะเมื่อเจอหรือเมื่อเกิดผัสสะเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจนะรู้ใจคิดนึก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 งโง่ยิ่งกว่าหมานะหมานี่ระหว่างเหล้ากับขี้เนี่ยมันกินขี้นะมันไม่กินเหล้าก็เทศโจมตีคนกินเหล้าแต่พอศึกไปน ะ, ะก็บางทีขายเหล้าหรือหนักกระนับางทีติดเหล้าติดเหล้าเม า, มาไมเลยนะจนไม่เป็นอันทำมาหากินเลยจนกระทั่งถูกคนเขาลังเกีเยจเย็ดยาม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 มีพลุดไปหมดแต่พอเราลวงเขาไม่ใช่ขโมยสิ่งที่เรารับรู้มันก็เปลี่ยนไปมันไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวเขาเ้ายังทำเหมือนเดิมแต่ว่าใจเราต่างหากที่เปลี่ยนอันนี้เพราะเรามียคติมีความคิดบางอย่างอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันนะมีลักษณะอาการนะที่น่าจะเป็นไปได้หรือมีลุกลักษณะน่าเชื่อถือ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 แต่ตอนนั้นเนี่ยมันสรุปเลยนะว่าพังพรเนี่ยทาร้ายหรือฆ่าลูกของตัวเพราะหะเพราะลักษณะอาการนี่มันชวนให้สูบแบบนั้นเลือด ก, ก็เต็มเต็มเบาะก็เซนไปถูกตัวเด็กและพังพรก็มีเลือดที่ปากนะอันนี้เพาะไม่ใช่หลักกาลมาสูบนะก็เลยสรุปว่าพังพรฆ่าลูกของเราอันนี้เราไม่มีสตินะถ้ามีสตินะอ่ะ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 มันปฏิบัติทำได้ทั้งนั้นนะอย่างน้อยๆก็ไม่ด่วนสรุปใช้หลักกาลามาสูตรอย่างน้อยๆก็มีสติดูใจเราไปด้วยนะดูนอกแล้วก็ดูในดูนอกนี่ก็ไม่ด่วนสรุปนี่ก็เรียกว่าพอใช้หลักกาลามาสูตรหรือว่ารู้จักใช้เพื่อเตือนใจให้ไม่ประมาทนี่เรียกว่าดูนอกส่วนดูในก็เห็นใจที่มันกระเพื่อมนะ